ความสุขสุดยอดอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่มีเงินทองร้อยล้านพันล้านหรือว่าอยู่ที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นนายกได้เป็นประธานาธิบดีหรือว่าได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆรางวัลเหรียญทองต่างๆ ห, หรือว่า อยู่ที่ความสงบ พ, พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบว่าไม่มีอะไรไม่มีความสุขคันใดจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอันนี้แหละคือสุดยอดของความสุขสุดยอดของชีวิตกายได้แล้วความสุขความจากความสงบแล้ว ได้สิ่งที่สุดยอดของชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรที่จะมาเทียบได้นัตสันติพลรรังสุขขงังสิ่งสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีดังนั้นเราอย่าหลงทางกันอย่าไปหาเงินหาทอง อย่าไปหาตำแหน่งความเป็นใหญ่เป็นโตไม่ว่าจะในทางด้านไหนทางด้านการเมืองด้านปกครองด้านบันเทิงด้านกีฬาความยิ่งใหญ่เหล่านี้เป็นความสุขเดียวๆสุขตอนที่ได้มา พอได้รางวัลมาได้ตำแหน่งมาได้เงินทองมาก็ดีใจเดียวเดียวแต่ความทุกข์ที่มีประจาตัวนี้ไม่หายไปความทุกข์กับคนนั้นคนนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับร่างกายของตนความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ถูกกาจัดไปจาก การที่ได้ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกได้เป็นสุดยอดของนักกีฬาสุดยอดของอาดาราภาพยนตร์สุดยอดอะไรก็ตามต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วมันไม่สามารถมากำจัดความทุกข์ที่มีอยู่กับใจมาแต่ดั้งเดิมทุกข์ที่เกิดจากการพลาดพลาดจากกันทุกข์ที่เกิดจากการต้องประสบกับสิ่งต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาะ ความทุกเหล่านี้ไม่ได้ถูกกำจัดไปด้วยการเป็นใหญ่เป็นโตด้วยการเป็นมหาเศรษฐีด้วยการเป็นผู้ที่เก่งการในแขนงใดแขนงหนึ่งได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ไม่สามารถที่จะมา กำจัดความทุกข์ต่างๆที่คอยมาทำลายความสุขที่ได้จากาการเป็นใหญ่เป็นโตที่ได้จากการเป็นมหาเศรษฐีที่ได้จากการเป็นผู้เก่งกาจในทางต่างๆามีอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีติดมากับใจมาตั้งแต่ดั้งเดิมถ้าได้พบกับความสงบแล้วความทุกข์ต่างๆจะหายไปหมดความสุขอันสุดยอดจะปรากฏขึ้นมาอย่างสง่างามเป็นความสุขที่มหารั จ, จ์ใจ ถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขนี้แม้เพียงแค่ชั่วขณะเดียวก็ตามจะเกิดความประทับใจแบบไม่มีวันลืมและจะเกิดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะคว้าความสุคนี้มาให้อยู่กับตนไปตลอดนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีไว้ให้กับพวกเรา ถ้าพวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตัวเป็นเหมือนลูกของพระพุทธเจ้าเพื่อรับมรดกอันยิ่งใหญ่จากพระพุทธเจ้ า, าก็คือต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามให้ได้อย่างเต็มที่ เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือลักษณะของผู้ที่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่จะรับมรดกอันล้ำค่าจากพระพุทธเจ้าคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่กับใจของพวกเรามาไม่รู้จักไม่รู้จักตั้งแต่เมื่อไหร่มีอยู่มาตลอดทุกภพทุกชาติ ไปเกิดที่ไหนเหมือนมีเงาตามตัวไปตลอดความทุกข์นี้เป็นเหมือนเงาตาม ต, ามตัวพวกเราพวกเราไม่เคยอยู่ปราศจากความทุกข์กันเลย่ามีโอกาสก็ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นองค์ใดองค์หนึ่งสามารถทําหน้าที่สอนให้พวกเรา เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้ถ้าไม่พบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์จะไม่มีวันที่จะสามารถเข้าสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนี้ได้เลยมาลมมาสุขสุดยอดของความสุขคือพระนิพพานคือความสงบที่ถาวร ในเบื้องต้นความสงบที่เราจะได้สัมผัสนี้เรายังไม่เรียกว่านิพานเราเรียกว่าสมาธิขั้นต่างๆเพราะว่ายังเป็นความสงบความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่ถ้ารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้ว ก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อยๆ เ, เหมือนกับถ้ารู้จักวิธีว่ายน้าก็จะว่ายน้าไปได้เรื่อยๆถึงเวลาที่ลงน้ำเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะว่ายน้าได้จะไม่มีวันจมน้ำและจะสามารถทำให้มันสงบไปได้ตลอด โดยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหายไปถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องขึ้นสู่ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาความสงบที่ได้จากขั้นปัญญานี้จะเป็นความสงบที่ถาวรได้มาแล้วจะไม่หมดไปเพราะว่า ปัญญาจะกำจัดตัวที่มาทำลายความสงบหรือมาสร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจนั่นเองพอปัญญาได้กำจัดตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจความทุกข์ใจแล้วใจก็จะสงบใจก็จะไม่วุ่นวายนี่คือขั้นที่สองขั้นแรกคือขั้นสมาธิ เป็นความสงบชั่วคราวที่เกิดจากอำนาจของสติที่จะหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจพอสติหยุดกิเลสตัณหาได้ความวุ่นวายใจก็จะหายไป ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาแต่สติเป็นสิ่งที่ยังไม่าสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดสติก็มีวันที่จะอ่อนกำลังลงพออ่อนกำลังลงริเลสตัณหาก็จะกลับโผล่ขึ้นมา แล้วก็จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้ใหม่ถ้าอยากจะให้ความวุ่นวายใจหายไปก็ต้องใช้สติสร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วก็หยุดความวุ่นวายใจเป็นพักๆไปวิธีนี้เป็นวิธีที่มีการ กระทำมาก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสร้นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสร้ขั้นปัญญามนุษย์เราที่แสวงหาความสงบก็จะใช้วิธีของสติของสมาธิมีนักบวชมีฤาษีชีไพรทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมี หรือสีชีพรผู้ที่สแสวงหาความสงบจากการใช้สติแต่นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่จะมาพบวิธีของปัญญาที่จะกำจัดกิเลสตัณหาตัวที่คอย สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วก็จะได้ความสงบที่ถาวรความสงบที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นถ้าได้ความสงบแบบถาวรแล้วมันก็จะไม่ส่งจิตให้ไปเกิดอีกต่อไป ถ้ายังได้ความสงบแบบชั่วคราวอยู่ความสงบแบบชั่วคราวนี้ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้อย่างท้าวรนกิเลสตัณหานี้จะเป็นตัวที่จะส่งจิตให้ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้คือ เรื่องของความสุขสุดยอดมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรถ้าไม่ได้มีพระพุทธศาสนานี้จะมีเพียงระดับชั่วคราวลัทธิต่างๆศ า, าสนาต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่ก็มีการสอนให้ ทำจิตให้สงบแต่ไม่มีใครสอนวิธีทำจิตให้สงบอย่างถาวรเพราะไม่มีใครรู้นั่นเองยังเป็นความสงบสลับกับความวุ่นวายใจอยู่เวลาใช้สติเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวจิตก็จะเน่งจะสงบแต่พอหยุดเพ่ง จิตก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วกิเลสตัณหาความโลภความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้จิตสงบได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสมัยก่อนพระพุทธเจ้านี้จะสงบก็ต้องเข้าสมาธิ ต้องนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือวิธีต่างๆที่ทำจิตให้สงบนี้มีสี่สิบวิธีด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบถ้าอยากจะรู้รายละเอียดก็สามารถค้นหาในกูเก้าได้เขียนคำว่ากรรมฐานสี่สิบ ก็จะโผล่ขึ้นมากรรมฐานสี่สิบนี้ก็จะแบ่งไว้เป็นหมวดหมดเป็นกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าอนุสติสิบกลุ่มที่สองเรียกว่ากสินสิบกลุ่มที่สามเรียกว่าอาสุภะสิบกลุ่มที่สี่นี่มีหลายอย่างปนกันมีทาาสีมั้งมี พรมวิหารสี่ถ้าไม่แน่ใจต้องไปเปิดดูจําไม่ได้แล้วแต่นี่คืออารมณ์ต่างๆที่ผู้ต้องการความสงบจะใช้เป็นอารมณ์ผูกจิตให้หยุดคิดปรุงแต่งให้หยุดความอยากต่างๆพอจิตเพ่งอยู่กับอารมณ์เหล่านี้จิตก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้เออ ยกตัวอย่างอนุสติสิบมีอะไรบ้างพุทธานุสติให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณหรือเรากถึงชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าพระพุทธคุณก็จะใช้บทสวดอิติปิโสก็ได้อิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนะสัมปันโนการสวรดบทพุทธคุณอยู่เนืองเนือง จะทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้จิตใจเราวุ่นไวายได้การสวดบทพุทธคุณจะทำให้ใจเย็นใจจะสบายแต่อาจจะไม่ถึงขั้นรวมลงจะรวมลงนี้อาจจะต้องใช้คำบริกรรมเพียงคำเดียวเช่นพุทธโธพุทธโธนี่เรียกว่าพุทธานุสติ ธรรมานุสตินี่ก็เป็นอนุสติอีกอันหนึ่งเราเลิกถึงพระธรรมคุณก็ได้จะสวดบทสวากาโตภะวตาธรรมก็ได้หรือจะบริกรรมคําว่าธรมมธรมโอธรรมโอไปก็ได้อนุสติที่สามเรียกว่าสังขานุสติให้เราเลิกถึงพระสังฆคุณคุณของพระอาราหันต์คุณของพระอริ ย, รรยบุคคลเ ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุจุย า, ยาสามิจิปฏิปันโนจะใช้การสวดบท ส, สุปฏิปันโนภักกวะโตสาวกสังโฆก็ได้หรือจะใช้คาว่าสังโฆสังโฆไปก็ได้นี่เรียกว่าอนุสติอารมณ์ที่เราสามารถใช้กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้อารมณ์ที่สี่เรียกว่า อาณาปณะสติอนุสติให้รู้ลมหายใจเข้าออกให้ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกสติคือการระลึกรู้อาณาปณะสติก็ให้ระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้จิตเพ่งดูที่ปลายจมูก ดูเวลาลมเข้าดูเวลาลมออดูลมออกลมเข้าไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้ดูตรงจุดเดียวตรงที่ประตูตเข้าออกของลมคือที่รูจมูกที่ปลายรูจมูกเป็นเหมือนยามที่เฝ้าดูคนเข้าออกไปในสถานที่ยามไม่วิ่งตามคนเข้าไปไม่วิ่งตามคนออกมา ยามจะอยู่กับที่แล้วก็คอยนับคนเข้านับคนออกแลกบัตรเห็นหมเวลารถเข้ามานี้ยามเขาจะให้แลกบัตรถ้าไม่มียามรถก็เข้าออกกันตามอธัธยาศัยแต่ถ้าจะมียามก็ต้องผ่านยามก่อนถ้าจิตมาจ อ, อยู่กับที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ดูลมไปง่ายๆดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกถ้ามันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นถ้ามันยาวก็รู้ว่ามันยาวถ้ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดถ้ามันละเอียดจนไม่สามารถจับมันได้ก็รู้ว่าจับมันไม่ได้ก็ให้รู้เฉยๆไปถ้ารู้ ถ้าดูลมจนมันหายไปแล้วมันละเอียดจนจับลมไม่ได้ก็ดูความว่างไปขอให้ดูความว่างไปดูเฉยๆอย่าไปคิดอะไรทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบต่อไปนี่ก็อาณาปณสติอารมณ์ที่อยู่ในกลุ่มของอนุสตินอกจากนั้นก็ยังมีกายะกะตาสติ ให้เราเลือกรู้อยู่กับร่างกายร่างกายของเรานี้อยู่กับเรามาตลอดแต่เราไม่ค่อยอยู่กับมันเราชอบไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้วันวันหนึ่งไม่เคยอยู่กับร่างกายเราเลยร่างกายเราทำอะไรก็อยู่กับมันแป๊บเดียวพอแปลงฝันพอแปลงได้คำหนึ่งก็ไปแล้ว แปลงปล่อยให้มันแปลงไปตามลำพังแต่ใจไม่เฝ้าดูมันแปลงตลอดเวลาแปลงไปก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีกายกตาสติถ้ามีกายกตาสตินี้ต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลารู้การเคลื่อนไหวขอต่างๆของร่างกายตลอดเวลา รู้ว่าตอนนี้กำลังเดินรู้ว่ากำลังยืนรู้ว่ากำลังนั่งรู้ว่ากำลังนอนรู้ว่ากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวารู้ว่ากำลังยกแขนขึ้นรู้ว่ากำลังทาอะไรต่างๆไม่ให้ใจไปที่อื่นให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับกา ร, กรทาของร่างกาย อย่างนี้ก็เรียกว่ากายกตาสติคือมีสติแล้วเลือกเลืออยู่อยู่ที่ร่างกายเอาที่เอาร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าพุโทโธก็เอาพุโทโธเป็นที่ตั้งของสติถ้าลมหายใจก็เอาลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติผลก็จะได้เหมือนกันคือได้ความสงบ นอกจากนั้นยังมีมรณานุสติให้ระลึกถึงความตายอันนี้ก็ใช้แทนพุทโธได้แทนที่จะใช้คําว่าพุทโธก็ใช้คําว่าตายแทนท่องไปภายในใจตายตายตายเราต้องตายร่างกายของเราต้องตายต้องตายตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ หายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายให้คิดอยู่กับความตายไปเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอนุสติต่างๆเท่าที่จำได้มีสิบอารมณ์ด้วยกันทางกระสินก็เป็นการเพ่งดูสีต่างๆ เพ่งมีสีอยู่สีชนิดมัให้เพ่งได้สีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองวิธีเพ่งสีก็เราจะเพ่งสีไหนถ้าสีเขียวเราก็มองดูสีเขียวด้วยตาก่อนก็ได้แล้วพยายามจำสีเขียวไว้แล้วพอหลับตาก็ให้นึกถึงสีเขียว ให้สีเขียวมันโผล่ขึ้นมาในตาในให้ได้หลับตาก็เห็นเป็นสีเขียวนั่งเราก็ดับตาแล้วก็นึกถึงสีเขียวแล้วก็พยายามให้สีเขียวนั้นมันโผล่ขึ้นมาถ้าสีเขียวไม่ไม่ถนัดเราไม่ชอบมันไม่โผล่ก็เอาสีที่เราชอบสีเขียวไม่ชอบลองเอาสีแดงก็ได้สีแดงไม่ชอบเอาสีเหลืองก็ได้ สีขาวก็ได้ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นวิธีเพ่งจิตอย่างหนึง่งแทนที่จะเพ่งลมหายใจเข้าออก mm. เพ่งร่างกาย mm. ก็เอาเพ่งสีต่างๆ mm. อันนี้เป็นวิธีจเจริญสติเป็นวิธีทำใจให้สงบ การที่จะทำให้ใจให้สงบนี้มันต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นเวลาที่ไม่นั่งก็ต้องทำดังนั้นอารมณ์บางอย่างอาจจะไม่เหมาะกับเวลาที่เราเคลื่อนไหวจะมาเพ่งหลับเดินหลับตาเพ่งสีเขียวสีแดงมันก็เดี๋ยวก็ชนชนนั่นชนนี่ถ้าจะเพ่งหลับตานี้ต้องนั่งเฉย เพ่งดูลมหายใจเข้าออกนี่ต้องนั่งเฉยๆดับตาแต่เวลาที่เราเคลื่อนไหวเราก็ต้องใช้กายกตาสติเพ่งดูร่างกายได้หรือเพ่งถึงคิดถึงความตายได้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆทําอะไรก็บอกเดี๋ยวครูก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ไปวันนี้ก็ไปพรุ่งนี้ไม่ไปตอนนี้ก็ไปตอนบ่ายไม่ไปตอนบ่ายก็ไปตอนเย็น ไม่ไปตอนเย็นก็ไปตอนค่ําอำไม่ไปตอนค่ําก็ไปตอนดึกเอไม่ไปตอนเดึกก็ไปตอนเช้าให้มันคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้ทาให้ใจนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอยากได้นั่นได้นี่ที่อยากได้นูน่นได้นี่กันเพราะลืมตายกันอถ้าไปหาหมอนี่หมอบอกว่าเหลืออีกสามเดือนเออ โรคถูกถึงมาเลยขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไม่ได้แล้วทีนี้ยังอยากจะโลภได้อะไรหรือเปล่ายังอยากจะได้เป็นเศรษฐีอยากเป็นนายกกันหรือเปล่าไม่มีใครอยากได้อะไรแล้วตอนนั้นอยากจะตายอย่างสงบตอนนั้นเองอยากจะอยู่อย่างสงบอยากจะอยู่อย่างไม่ทุกข์กับความตายถ้าไม่ฝึกมาก่อนมันจะทำไม่ได้ แต่ถ้าฝึกตั้งแต่บัดนี้นึกถึงความตายตั้งแต่บัดนี้ซ้อมตายก่อนตายเอคนเราต้องตายกันทุกคนทำไมไม่ซ้อมกันเหมือนกับคนเราจะต้องลงน้ำไหวยน้ำกันแล้วไม่หัดไหว้น้ำกันทำไมเมื่อไม่หัดไหว้น้ำมันก็ไหว้ไม่เป็นเลยพอไม่ไหว้ไม่เป็นถึงเวลาลงน้ำมันก็จมน้ำตายแล้วนี่ร่างกายมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่ไม่ฝึกตายกันไม่ซ้อมตายกันพอเวลาตายก็เลยวุ่นวายกันไม่สงบกันถ้าฝึกตายอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาตายมันจะสงบตายแบบสงบตายแบบสบายอยู่ก็สบายตอนนี้ยังไม่ตายก็สบายพอรู้ว่าพร้อมที่จะตายทุกเวลาตายได้ทุกเวลานี่มันสบาย ถ้าไม่พร้อมที่จะตายนี่พอคิดถึงความตายเมื่อไหร่นี้ใจจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีใจจะทุกข์ใจจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ตายอย่างเมื่อวานนี้มีแม่พาเด็กคนหนึ่งมาบอกกลัวตายเออทําไมต้องกลัวตายด้วยของมันต้องเกิดหัดตายสถอถ้ารู้ว่าต้องตายก็หัดตายเท่านั้นเอง วิธีที่จะทำให้เราตายอย่างสบายอยู่อย่างสบายอยู่แบบไม่กลัวตายอยู่อย่างสงบก็คือให้เราลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้สมมุติว่าเราเป็นคนตายคนตายนี้เขาไม่ต้องการอะไรใช่ไหมลองไปงานศพดูไปเคยไปถามคนตายไหมพี่เอาน้ำไหมเอาข้าวหมเอาขนมไหมเอาแหวนไหมเอาสร้อยไหม เอานาฬิกาไหมเอาอะไรไหมไม่เอาสักอย่างนั่นแหละหัดเป็นคนตายแล้วจะสบายมันจะกาจัดความโลภความอยากต่างๆได้พอไม่มีความโลภความอยากใจก็สงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นเศรษฐีไม่ต้องเป็นนายกไม่ต้องเป็นดารา ไม่ต้องนับเหรียญตุ๊กตาทองนางวันตุกตาทองต่างๆอยู่แบบไม่มีความอยากนี่มันแสนจะสบายจะอยู่แบบไม่มีความอยากได้ก็ต้องอยู่แบบคนที่ตายแล้วนี่คือกรรมฐานคือมรณานุนสติอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกำลังจิตของแต่ละคน คนบางคนนี้ให้คิดถึงคาว่าตายทัานจะเป็นลมเลยแสดงว่าจิตอ่อนมากจิตไม่มีกำลังที่จะรับกับความจริงได้ก็กรรมฐานบางอย่างก็เลยไม่เหมาะกับจิตดิตของคนบางคนถึงต้องมีกรรมฐานหลายๆแบบด้วยกันให้คนที่มีจิตอ่อนจิตกล้าเนี่ยคนที่มีจิตกล้านี้ชอบของจริง ชอบความตายชอบอสุภสิบเนี่ยชอบดูสิบชนสิบชอบดูศพสิบชนิดเนี่ยอสุภสิบก็คือศพสิบชนิดด้วยกันศพที่ตายใหม่ศพที่ขึ้นอืดเนี่ยศพที่ถูกแล้งกากร์สมัยก่อนเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้าไม่เผาไม่ฝังปล่อยให้มันปล่อยให้มัน หมดสภาพไปตามตามเวลาของมันมันก็จะมีลักษณะต่างๆศพที่แขนขาดขาขาดสีสะขาดกระจายไปคนละทิศคนละทางศพที่มีตัวนอนชัยมีแมลงวันตามศพที่พองศพที่มีสีเขียวช้ำดำนี่คือศพต่างๆ คนที่มีจิตใจกล้ามีใจที่แข็งนี่จะชอบดูศพดูแล้วกิเลสมันจะหายหมดกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆมันจะหายไปหมดทำให้จิตที่ฟุ้งซ่านวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆนี้สงบได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอารมณ์ ที่จะกลอมให้จิตเข้าสู่ความสงบลองไปศึกษาดูแล้วไปเลือกดูว่าชอบแบบไหน <c oughs> ก็มีผรมวิหารสีอันนี้อาจจะเหมาะกับจิตที่อ่อนให้แผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหตุแต่การสวดนี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่การสวดนี่เป็นการเรียนรู้ว่า สัพเพสัตตาอเวหเวลาโหตุแปลว่าอะไรอเวลาก็คือไม่มีเวรกับใครไม่จองเวรจองกรรมตอนนี้จิตเรายังโกรธใครเกลียดใครอยู่หรือเปล่าถ้าโกรธก็ต้องอเวลาหหตุต้องให้อภัยเขาถ้าให้อภัยแล้วจิตก็จะเบาขึ้นมาทันที ถ้ายังอาคาดพยายามจองเวรจองกรรมอยู่จิตจะรุ่มร้อนจะกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำจิตให้เข้าสู่ความสงบได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอ่เป็นอะไรเป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สงบก็อาจจะต้องเลือกกรรมฐาน ที่เป็นเหมือนยาที่รักษาร่างกายนี้ร่างกายมันก็มีเจ็บชนิดต่างๆเอบางทีมันก็เจ็บที่ศีรษะอบางทีมันก็เจ็บที่ท้องเอบางทีมันก็เจ็บที่หลังมันมีที่เจ็บแต่ละที่นี้จะใช้ยาชนิดเดียวกันมารักษามันไม่หายน่ต้องวิเคราะห์ดูว่าที่เจ็บนี้เจ็บที่ศีรษะ เกิดจากอะไรถ้าวิเคราะห์ถูกใช้ ย, ยาถูกอาการปวดศีรษะก็หายปวดท้องก็วิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรมีแผลในกระเพาะเลยก็ต้องรักษาแผลในกระเพาะพอแผลในกระเพาะรักษาหายความเจ็บในท้องก็หายไปยาต้องมีชนิดต่างๆพอโรคภัยไข้เจ็บของร่างกาย ก็มีชนิดต่างๆความทุกข์ใจความไม่สงบของใจก็มีชนิดต่างๆที่ทำให้ใจไม่สงบก็ต้องหายาที่ถูกกับโรคถึงจะหายถ้าโกรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทใครก็ต้องใช้บทเมตตา แต่อย่าไปสวดแบบนกแก้วสวดแบบไม่มีความหมายไม่เข้าใจความหมายมันไม่ทำให้หายต้องเข้าใจคาว่าอเวลาโหนตุแปบลบว่าอะไรอเวลาโหนตุ a a ก็คือไม่จองเวรจองกรรมกันเวรกรรมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรกรรมย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรความวุ่นวายใจความไม่สงบของใจ ที่เกิดการอาฆาตพยาบาทจะหายไปก็ต่อเมื่อเราอาโหสิกรรมเอามไม่จองเวรจองกรรมต่อกันให้อภัยกันยกโทษไปอภัยฐานถ้ายกโทษให้เขาได้เขามาแย่งแฟนเราเอาไปเลยคนในโลกนี้มีไม่ใช่คนเดียวเว้ยเมื่อเขาไม่อยากจะอยู่ก็เราก็ไปเถิด เอาคนที่เขาอยากจะอยู่กับเราไม่ดีกว่าเลยไปอยู่กับคนที่เขาไม่อยู่กับเราก็มีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีวันจบเพราะเขาคอยจะหนีเราอยู่เรื่อยไปอยู่กับคนแบบนั้นทําไมอยู่กับคนที่เขาคอยตามเราไม่ดีกว่าเลยไปไหนก็ตามเราตลอดเวลาออนี่ต้องรู้จักใช้ความคิดเลอย่าไปใช้อารมณ์ พอรักใครชอบใครคนเดียวเหมือนมีคนนี้คนเดียวในโลกท่านหนึ่งเสียคนนี้ไปแล้วเหมือนจะตายจากโลกนี้ไปทันทีคิดซิมันมีคนเดียวที่ไหนมีคนต้องเป็นล้านเป็นพันล้านหลายพันล้านได้คนนี้เมื่อก่อนแล้วไม่เจอมันก็ไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนอยู่คนเดียวมาก่อนก็อยู่ได้ พ อ, อจะต้องเสียมันไปมันจะมันจะอยู่คนเดียวต่อไปไม่ได้ให้มันรู้ไปหัดใช้ความคิดบ้างสิ่อยให้ใช้อารมณ์ใช้กิเลสปัญหามันก็มาสร้างความทุกข์ให้กับตนเองสร้างความเสียใจสร้างความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาคิดไม่เป็นหยุดความคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็น มองโลกในแง่ดีเสิทุกอย่างมันมีสองมุมเข้าใจไหมเหรียญมันมีสองด้านมันมีหัวมีก้อยทุกอย่างมันมีได้มีเสียเสียอะไรไปมันก็ต้องได้อะไรมาใหม่เสียแฟนเก่าไปเดี๋ยวก็ต้องได้แฟนใหม่ไม่ดีเหรอระหว่างของเก่าของใหม่อันไหนดีกว่ากันระชอบของใหม่กันนั้นไม่ใช่เหรอ p h o n e ใหม่กับ iPhone เก่านี่ยาวแล้วอันไหน คิดแบบนี้สิแล้วมันก็จะได้ไม่เสียใจไม่โกรธใครไม่อาคตาิพยาบาทใครอยากเจ้าของเก่าแล้วไปเลยเดี๋ยวเราหาของใหม่ดีกว่าของใหม่ดีกว่าเก่าแต่ของใหม่เดียวมันก็เก่าอีกแล้วขอในโลกนี้มีของอันเดียวที่ดีที่สุดที่ไม่เก่าตลอดเวลาก็คือความสงบถ้าเสียแฟนไปก็ไปหาความสงบดีกว่า อย่างหลวงปู่ขาวนี่ท่านก็เคยมีครอบครัวหลวงปู่ขาวนิสิตหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์ตอนที่เป็นคารวะท่านก็มีภรรยาลักภรรยาห่วงภรรยามาแต่วันดีขึ้นดีท่านก็ไปจะเอเห็นภรรยาไปนอนกับชู้ตอนต้นนี้ท่านคิดจากข้ามันทั้งสองคนโกรธมากแค้นมาก ไม่มีอะไรที่จะแค้นเท่ากับการที่เสียคนที่เรารักไปให้กับคนอื่นไปการที่เสียคนรักที่เรารักเขาแต่เขากลับไม่รักเราเนี่ยมันทรมานใจมากถึงกับอยากจะฆ่ามันทั้งสองคนแต่โชคดีท่านว่าสติมันมายับยั้งไว้หัวมาคิดทันว่าถ้าไปฆ่าขเขาแล้วนี้เราไม่เลวกว่าเขาเลย ขเพียงแต่ไม่รักเราไม่อยู่กับเราเขาไปกับหลับนอนกับคนอื่นเท่านั้นเขาก็ยังไม่ได้มาทำร้ายฆ่าเราแต่เราไปฆ่าเขานี้มันไม่ยิ่งเลวร้ายกว่าเขาเลยพอคิดอย่างนี้ได้ท่านก็เลยระงับความคิดที่อยากจะฆ่าเขาแล้วก็เห็นโทษของการมีคู่ครองถ้ามีคู่แล้วเนี่ยมันจะต้องอกหักไม่ช้าก็เร็ว ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยู่ในโลกของอ น, นิจจังโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของความของโลกชั่วคราวได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากไปท่านก็เลยบอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไปเอาสิ่งที่ไม่จากเราไปดีกว่าเอาของใหม่ที่ใหม่ตลอด ของใหม่ที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดดีกว่าที่จะไม่มีวันจากเราไปนั่นก็คือความสุขที่ได้จากความสงบเนี่เอาความสงบมาเป็นภรรยาเป็นสามีดีกว่าเขาจะไม่ทารยศเราเขาจะไม่เป็นมีชู้กับใครเขาจะไม่มีวันจากเราไปเขาจะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาท่านก็เลยประกาศบอกให้ชาวบ้านรับรู้เลยว่า ต่อไปนี้เราจะาสละภรรยานี้ให้กับแฟนใหม่เขาไปเราจะไปบวชท่านประกาศให้รู้เลยท่านจะได้ทุกคนจะได้สบายใจแล้วท่านก็มุ่งไปสู่การศึกษาปฏิบัติบวชพระแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นก็คือหลวงปู่มั่นอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ พระอาจารย์มั่นเป็นพระอราหารันต์พอได้เรียนกับพระอราหันต์ไม่นานก็ได้เป็นพระอราหันต์มันไม่ยากหรอกถ้ามีความตั้งใจที่จะศึกษาแล้วมีคนที่รู้จริงเห็นจริงมาสอนเดี๋ยวก็เป็นกันนี่หลวงปู่มั่นนี่ผลิตพระอราหันต์ไม่รู้กี่รูปได้กันบรรดาลูกสิ์ต่างๆของพระอาจารย์มั่นทั้งหลายเนี่ย ไม่ใช่ทุกองคแ์แต่ก็มีหลายองค์นับตั้งแต่หลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่แวนอยู่ที่เชียงใหม่หลวงปู่ขาวอยู่ที่อุดรหลวงปู่ฟันอยู่ที่สกลนครอาจารย์ลีมีย่อแยะไปหมดมาจากคนคนเดียวเท่านั้นอาจารย์คนเดียวหลวงปู่มันภูริธตโต ขอให้คนศึกษามีความปารถนาอันแรงกล้าท่านเองที่อยากจะได้สัมผัสกับความสุขอันวิเศษที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสงบนี้ไม่ช้ามันก็ปรากฏขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าใครปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ เต็มร้อยไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีจะต้องสําเร็จจะต้องได้บรรลุถึงถ้าไม่ขั้นพระอาหารหันต์ก็ขั้นพระอนาคามีนี่แต่ต้องตั้งใจปฏิบัติต้องสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน แล้วก็ต้องมีอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปนโนเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลมีสขั้นขั้นที่หนึ่งก็จะสอนได้แค่ขั้นที่หนึ่งจะสอนขั้นที่สูงกว่าขั้นที่หนึ่งไม่ได้ขั้นที่สองก็สอนได้แค่ขั้นที่สองขั้นที่สามก็สอนได้แค่ขั้นที่สามขั้นที่สี่ถึงจะสามารถสอนได้หมดทุกขั้น ตามความสามารถตามความรู้แต่ทั้งสี่ขั้นนี้ท่านจะต้องไปถึงขั้นที่สี่กันทั้งหมดไม่ช้าก็เร็วเท่า น, นั้นเองบางท่านอาจจะยังติดภารกิจติดอะไรอยู่ยังไม่สามารถไปทำให้สำเร็จได้บางท่านไม่มีภารกิจก็สามารถทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วจากขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สีได้ภายใน เวลาสั้นๆก็มีบางท่านก็ใช้เวลายาวหลายปีกว่าจะไปถึงขั้นที่ที่สี่อันนี้ก็แล้วแต่ภาวะทีะ่แวดล้อมของพระอริยะแต่ละองค์ท่านอาจจะมีภาระหน้าที่มีการผูกพันอยู่กับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังตัดไม่ขาดอยู่ ก็เลยต้องใช้เวลาตัดให้มันขาดก่อนหรือต้องรอให้เหตุการณ์ทำให้มันขาดจากกันก่อนอย่างพระนนท์ก็ไปติดภาระหน้าทีา่รับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถึงยี่สิบกว่าปีด้วยกันท่านก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วแต่ท่านมารับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีเวลาไปเปลีกวิเวก ว่าการปฏิบัติธรรมที่จะบรรลุ ธ, ธรรมนี้ต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวต้องทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวถ้าไปทําภารกิจอย่างอื่นนี้มันจะไม่สามารถที่จ ะ, ะกําจัดกิเลสตัณหาได้ให้หมดไปได้แต่พอพระพุทธเจ้าจากไปเท่านั้นเอง สามเดือนท่านก็สามารถบรรลุได้จากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สี่ภายในระยะเวลาสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาออได้ร่วมกับการสังขยานาครั้งแรกของพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วนี่พระอรหันต์ห้าร้อยรูปท่านก็มาประชุมกัน มาประชุมเพื่อที่จะได้มาสังขยานามาแยกแยะมาจัดรูปแบบคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตรวจสอบพูดย่างไงว่าคำสอนนี้ถูกต้องไหมคาสอนนี้ถูกต้องหรือไม่เพราะเป็นอาศัยการจดจำมาของแต่ละของแต่ละบุคคลแต่ว่าก่อนจะประชุมได้นี่เขาบอกว่าต้องรอให้พระอานุนมา บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ก่อนเพราะว่าพระอาน์นี้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนพระอานุ์จะติดตามไปทุกครั้งและจะจดจำธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ได้ทุกครั้งยกเว้นถ้าเวลาที่ท่านไม่ได้ติดตามไปท่านก็บังคับให้พระพุทธเจ้ากลับมาแสดงธรรมให้กับท่านใหม่ ท่านเป็นเหมือนกับเป็นบนรรลักษ์ของห้องสมุดเนี่ยท่านจะเก็บคําสั่งคําสอนทุกคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในสมองในจิตในใจท่านมีความจำดีเป็นเลิศเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องว่าพระอานอนท์นี้มีความดีเลิศในการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาใฝ่เรียน มีความจดความจำที่เลิศสามารถจดจำพระสูตรที่พระเจ้าเจ้าได้แสดงไว้ในสถานที่ต่างๆได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยพระอาหารหันต์ทั้งห้าร้อยรูปท่านก็เลยสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปท่านก็บอกว่ายังประชุมไม่ได้ยังขาดพระอนนท์อยู่ตอนนั้นพระอนนท์กำลังเล่นความเพียรเพื่อบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พอคืนก่อนที่จะ มีประชุมกันที่เขานัดประชุมนี่พระอนุ์ก็เร่งสุดสตีมแต่เร่งขนาดไหนมันก็ไม่ยอมบรรลุเสถีจนในที่สุดก็เลยคิดว่าคงไม่ทันกับเวลาแล้วก็เลยเลิกเพราะเหนื่อยต่อความเพียรก็เลยบอกยอมแพ้ไม่บรรลุก็ไม่บรบรลุอาจจะต้องรอต่อไปเพราะท่านบอกว่า พอท่านขอหยุดพักผ่อนนั้นจิตมันก็เลยบรรลุเลยที่มันไม่บรรลุเพราะความอยากบรรลุมันมาขวางอยู่พอความอยากบรรลุมันหายไปจิตของท่านก็เลยบรรลุขึ้นมาทันทีก็เลยได้เข้าประชุมร่วมกับพระอรหันต์อันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของพระอรหันต์ของพระพุทธศาสนาสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้า สเสด็จดับขันธ์ปรินิพานคือตายจากโลกนี้ไปแล้วพานหันท่านมีความเคารพเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากลัวว่าจะจางหายไปกลัวว่าจะถูกคำสอนที่ไม่ถูกต้องเข้ามามาคุกคาม มาทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของความคาสอนนี้หายไปท่านก็เลยมาประชุมกันมาไล่กันมาตั้งแต่ออการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกมาที่จดจากันมานี่ห้าร้อยคนนี้มันต้องจําได้ว่าผิดหรือถูกออมามาไล่กันมาตั้งแต่พระสูตรแรกธรรมจากกัปปวัตตนสูตรขึ้นมาเลย แล้วก็มาสังคายนามากั่นกรอง <c oughs> มาตรวจสอบว่าถูกหรือผิดจำถูกจำมาผิดหรือไม่จำถูกหรือไม่ถ้ามีหลายคนจำนี่มันสามารถช่วยกันยืนยันได้ถ้าคนเดียวจำนี่มันบางทีไม่แน่ใจอาจจะจำไม่ไม่ถูกก็ได้อย่างวันก่อนเราพูดเรื่องสมาธิสองเรื่องเขาก็มาว่าลาไม่พูดสมาธิสามเรื่อง ก็เราพูดแค่สองเรื่องเขาก็ไปจำว่าเราพูดแสดงสมาธิมีแค่สองเรื่องอกับกรร บ, บิดเบือนไปแล้วเนี่ยเวลาฟังอะไรแล้วใจมันบิดเบือนได้เวลาฟังใครก็พูดอะไรเขาพูดอย่างนั้นเราไปฟังอีกอย่างจำอีกอย่างนึงเนี่ยก็มีวิธีทดสอบให้คนสักสิบคนเนี่ยมานั่งล้อมวงกันเนี่ยแล้วให้คนหนึ่งกล่าวํำอะไรสั้นๆ กับคนที่หนึ่งไปบอกคนที่สองแล้วคนที่สองให้ไปบอกคนที่สามเนี่ยพอถึงคนที่สิบเนี่ยคนที่สิบกลับมาบอกคนที่หนึ่งนี่มันไม่เหมือนกับคนที่หนึ่งบอกเลยเพราะแต่ละคนมันจำมันมันจาไม่เหมือนกันอะ่ะมันไม่ฟังมันไม่จำแบบร้อยเปอร์เซ็นมันจำแล้วมันก็เปลี่ยนคำพูดไปคํานู้นมาเป็นคำนี้คนที่สองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป พอคนที่สิบมาบอกคนที่หนึ่งใหม่มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึงไปแล้วล้วนี่คือเรื่องของคำล่มเลือมันนักจะเป็นอย่างนี้ใช่ไเวลาใครเขาล่ำเลือกอะไรนี้มันไม่ตรงกับความจริง100รอยเปอร์เซ็นตอมันมีการ <c oughs> มีการเติมมีการแต่งมีการตัดมีการอะไรตามความสามารถของคนคนฟังคนที่จะจำได้ คำไหนมันยากมันก็ตัดทิ้งไปจำไม่ได้มันก็เลยหาคำง่ายเข้ามาแทนอันนี้ก็เหมือนกันพระอาหารหันต์ท่านกลัวว่าคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ช่วยให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยกลัวว่ามันจะจางหายไปถูกคำคาคาจำที่ไม่ดีมากบเกือนไปหมด ก็เลยต้องมีการสังคายนามีการประชุมมามามาตรวจสอบว่ามีความจำเหมือนกันไหมถ้าคนนี้จำอย่างนี้อีกสองคนบอกไม่ใช่อ่าอย่างนก็ต้องเอาฟังเสียงส่วนใหญ่ลนะคนที่จำผิดอีกสองคนมันฟังแบบนี้ยิ่งถ้าห้าร้อยคนนี้แหมมันมันก็ยิ่งจะทำให้มีความมั่นใจว่ามันมันไม่ผิดมันไม่คาดเคลื่อน นี่ก็เรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีคุณค่ามหาศาลที่พระพุทธที่พระอรหันต์ที่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้พะยายามปกป้องรักษาด้วยการมีการสังขยณาเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามายืนยันแล้ว ว่าคำนี้เป็นคําที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้หรือไม่เมื่อก่อนถ้ายังมีพระพุทธเจ้าอยู่มีใครฟังแล้วไม่มั่นใจก็ยังสามารถมาถามพระพุทธเจ้าได้ว่านี่เป็นคําสอนที่พระองค์ได้ทรงตัดไว ห, หรือเปล่าแต่พอไม่มีก็ต้องอาศัยเนี่ยพระอาหารหันต์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระพุทธเจ้ามามาขัดราวกันมา มาตรวจสอบกันเพื่อจะได้รักษาของแท้ของจริงไว้เพราะของแท้ของจริงเท่านั้นที่จะส่งผลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ถ้าไปปฏิบัติของปลอมถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติก็จะไม่ถูกต้องผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะไม่เกิด นี่แหละคือเรื่องของคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีคำสอนอยู่เยอะแยะก็ยังหลงไปทางนู่นบ้างทางนี้บ้างลืมเป้าหมายอันสำคัญที่แท้จริงของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เราเข้าหาความสงบเข้าหาสมบัติอันล้ำค่าของเราที่มีอยู่ในตัวเรา ที่ดีกว่าสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงกับนั้นก็ยังไปหลงกับสมบัติอย่างอื่นไปหลงกับเทวาสมบัติทำบุญเยอะๆแล้วจะได้เป็นเทวดาก็บ้าไปเป็นเทวดากันบ้างทำบุญแล้วกลับมาจะเป็นมหาเศรษฐีก็บ้าเพื่อที่จะกลับมาเป็นมหาเศรษฐีกันอีกเนี่ยไม่สอนไปตรงที่จุดที่พระเจ้าต้องการให้ไปกัน คือให้ไปสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวด้วยการทาบุญทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาเพื่อให้ได้รับความสงบแต่ผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาถ้าเรายังไม่ไปถึงจุดของความสงบมันก็จะมีผลอย่างเหล่านี้ทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทวดารักษาศีลก็ไม่ต้องไปอาบาย ภาวนาก็ได้เป็นพรมเป็นอะไรไปแต่นี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักของศาสนาเป็นผลพลอยได้ถ้าเรายังไม่ถึงเป้าหมาย เ, เราก็ยังจะได้รา ง, งวัลเารียกรางวัลอะไรรางวัลวนสนับสนุนรางวัลชมเชยถ้ายังไม่ได้รางวัลตุกตาทองเขาก็มีรางวัลชมเชยให้ก่อนจะได้ไม่เสียใจ ทำบุญแล้วไม่สูญเปล่ารักษาศีลแล้วไม่สูญเปล่าภาวนานั่งสมาธิแล้วไม่สูญเปล่าได้รางวัลชมเชยไปก่อนแต่อย่าไปเอาอย่าไปหวังอย่าไปตั้งเป้าอยู่ที่รา ง, งวัลชมเชยเท่านั้นเองให้ไปตั้งเป้าไว้ที่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็คือความสงบความสงบที่ถาวร ที่เรียกว่านิพานนิบานางังบาลมังสุขขังเนี่ยพราะความสงบที่ถาวรนี้นําบรมมัสุขคือความสุขที่สูงสุดความสุขสุดยอดของความสุขทั้งปวงความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้แหละคือเป้าหมายของศาสนาของพระคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่เป้าหมายนี่รู้สึกว่ามันจะห่างไกลจากใจของชาวพุทธเราไปแล้วเพราะกิเลสมันมาหลอกว่าโอ้ยมันไกลก่อนเอื้อมแล้วปฏิบัติไปชาตินี้ไม่มีวันที่จะไปได้หรอกมีไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี่หมดสมัยลาสมัยแล้วต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่รอพระสีสีอานอาตัวไหนดับไปตัวหนึ่งไม่เปลาใกล้จะจบลว ตัวนีว้มั้งตัวตัวมาแชวหรอเป่าก็พอดีอสมควรแก่เวลาก็ขอให้เราอย่าลืมว่าสิ่งที่พุทธเจ้าต้องการให้พวกเรามีกันได้กันคือความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเป็นสุดยอดของสมบัติเป็นสมบัติที่จะเป็นของเราไปตลอด ไม่มีวันจากเราไปจะให้ความสุขกับเราไปตลอดสมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นเทวาสมบัติมนุษย์ยะสมบัติพรหมสมบัติสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติชั่วคราวขอให้เราพุ่งไปที่สมบัติที่ถาวรคือความสงบด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา อาล้นะก็จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะทาวาริวาหาปุราปริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานังอุปกาปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะหราโสยธามณิโชติะราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวา อาพิวาทนาสิลิตะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครมาที่หลังอยากจะเอาเข้าวของเขามาถวายก็ยังเข้ามาได้อยู่ใครต้องการหนังสือซีดีมาหยิบไปได้ วันนี้มีหนังสือเล่มใหม่ออกมาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหนังสือที่รวบรวมจากคำสอนของเรานี่มึงลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปอถอดมาจาก YouTube ที่ได้ฟังเนี่ยเพราบางคนอยากจะอ่านวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้จาก f a c e b o o สี่ร้อยยี่สิบสี่ยูสองร้อยเก้า วิทยุออนไลน์40ผู้รับฟังบนเขา50รวม723ค่ ะ, ะวันนี้เ c e b ุ o k ไม่หนีเลย400ยกว่าเมื่อวานนี้เหลือ200อกว่าเพราะเริ่มภาษาอังกฤษไม่ได้ยต้องเริ่มภาษาไทยก่อนอมีคำถามทงางภาษาไทยไหมมีค่ะคำถามจากคุณสุภตรา <Okay. S 3> ทำบุญใส่บาตรทุกวันโดยสั่งร้านอาหารให้จัด ได้ให้แม่บ้านเป็นคนไปใส่เพื่อเขาจะได้มีความสุขที่อยู่กับเราเพราะโยมต้องดูแลสามีก่อนไปทำงานเลยไม่สะดวกและฝากเงินให้คนที่วัดป่าทำอาหารถวายพระถือว่าโยมทำแบบไม่ถูกไหมคะแบบขี้เกียจทาด้วยตนเองก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีเวลาหรือไม่มีเวลาพอ่อถ้าเราไม่มีเวลาพอ่อเราให้คนอื่นทำนี้เราก็ เสียส่วนน้อยไปส่วนที่เราไม่ได้ทาเองส่วนใหญ่เราจะได้คือเราได้เบอร์จากทรัพย์ส่วนคนอื่นเขาก็เพียงแต่มาช่วยบรรเทาเรื่องเวลาที่เราไม่มีแต่อันนั้นเป็นบุญส่วนย่อยบุญส่วนใหญ่นี้เกิดจากการเสียสละเงินทองเข้าของไปส่วนที่จะมาคิดว่าทาอย่างนี้เราจะให้คนใช้มีความสุขไม่หรอก เขาไม่มีความสุขล่ะเขาก็ทําเพราะว่าเราเขาเราใช้เขาเขาเป็นคนรับใช้เราอยากใช้เขามีความสุขให้เงินเขาสิความสุขของเขาคือเงินทองเพิ่มเงินเดือนให้เขาหรือว่าเป็นเหมือนให้ค่าจ้างเขาก็ได้อ อ, อันนี้เขาก็จะมีความสุขกว่านอกจากว่าเขาชอบใส่บาตรถึงแม้เขาใส่บาตรถ้าก็ใส่ของคนอื่นเขาก็ไม่สุขแบบใส่ของเขาเองเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเขา ถ้าเขาอยากจะมีความสุขจากการทำบุญเขาก็ต้องเสียเงินของเขาเองซื้อของใส่บาตรของเขาเองถึงจะได้ความสุขมากกว่าการที่เขารับใช้เหล่านี้บางทีอาจจะไม่ได้บุญเลยก็ได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้รับใช้จากอาสาทำเพราะว่าเจ้านายสั่งให้ทำอันนี้เขาก็จะไม่ได้ความสุขอันนี้เพียงแต่จะ ปรับความเข้าใจให้ทราบท่านเล่นที่บอกว่าทําให้ลูกน้องทำแล้วเขาจะมีความสุขเราไม่เชื่อว่าเขามีความสุขอะแต่ถ้าให้เงินเขาเนี่ยเขามีความสุขแน่ถ่ายให้เขามีความสุขก็ซื้อของให้เขาซื้อของฝากซื้ออะไรให้เขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถึงจะมีความสุขคําถามจากคุณจิมค่ะถ้ากรถิ่นปีนี้มีสตังทําบุญไม่มาก แต่ปรารถนาจะได้อนิสง์พอประมาณจากการทําบุญกระถินควรทําบุญในท่ามกลางความขาดแคลนให้ได้รับบุญพอตัวอย่างไรขอรับพอตัวอยู่ที่กําลังทรัพย์ของเราที่เสียไปเนี่ยเราเสียเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นแหละจะไปทํารูปแบบไหนมันก็เท่ากันจะเอาไปซื้อผ้าเอาไปซื้อกับอซื้กระถินซื้อบาตซื้อจีวรหรือซื้ออะไรที่เราอยากจะซื้อถวาย มันอยู่ที่ปริมาณเงินของเราที่เราเสียสละไปบุญที่เกิดขึ้นกับเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปโลภมากในบุญที่เราไม่สามารถที่จะทำได้ก็เท่ให้เราพอใจกับบุญที่เราทำกําลังที่เรามีคือเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้เราจะทำน้อยแต่ความสุขใจอิ่มใจที่ของเรานี้ อาจจะมากกว่าคนที่เขาทำด้วยเงินที่มากกว่าเราก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ว่ากำลังที่เขากาลังทรัพย์เขามีมากหรือน้อยเปรียบเทียบก็เหมือนกับการกินข้าวของช้างกับของหนูนี่ช้างกินข้าวหนูกินข้าวช้างกินข้าวช้อนเดียวนี้อิ่มแปักเลยแต่ช้างกินข้าวช้อนเดียวนี้ไม่รู้สึกอะไรเลย นะคนมีกําลังทรัพย์มากแบบช้างแล้วทำทำทำบุญปริมาณเงินเท่ากับหนูเนี่ยคนที่มีกําลังทรัพมากจะไม่รู้สึกว่าได้เสียสละอะไรไปจะไม่มีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเหมือนกับคนที่ที่ทำแต่เป็นคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยกว่าอันนี้อันนี้ผลบุญตรงนี้เราได้เปรียบคนจนนี่ได้เปรียบ เพราะทำนิดเดียวได้ความสุขใจเท่ากับคนรวยที่ทำต้องทามากกว่าเราร้อยเท่าอย่างเงี้เขาถึงจะได้ความรู้สึกเท่ากับเราเนีย่ยงั้นอย่าไปอย่าไปเสียใจว่าเราเป็นคนจนแล้วทำบุญได้น้อยคนคนจนเนี่ยทำน้อยแต่ได้มากกว่าในความรู้สึกทางจิตใจความอิ่มใจสุขใจเนี่ยเช่นคนจนทำสิบบาทนี้อาจจะมีความสุขใจ มากกว่าคนรวยทาทาแสนหนึ่งเพราะถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณของทรัพย์ที่เขาเสียสละไปนั้นถ้ามันน้อยมากกว่าที่เราเสียสละไปตามสัดส่วนที่เรามีอยู่ฉั้นถึงเปรียบเทียบ ว, ว่าการทำบุญนี่เหมือนการกินข้าวของสัตว์ของสัตว์ที่มีขนาดไม่เท่ากันคนมหาเศรษฐีนี่เป็นเหมือนช้างกินข้าวต้องกินทีละครึ่งกระสอบ มันถึงจะอิ่มท้องใช่ไอ ห, หนูนี่กินแค่ช้อนเดียวมันก็อิ่มท้องแล้วยังั้นอย่าเสียใจว่าเราเป็นคนจนนะเราจะทำบุญได้น้อยกว่าคนรวยไม่ใช่มันอยู่ที่สัดส่วนของเงินทองของเราที่เราเสียสละไปถ้าเรามีน้อยหนึ่งเราทำห้าสิบาทนี่เราเท่ากับเราทาครึ่งหนึ่งถ้าเรามีน้อยล้าน เราต้องกันได้แบบห้าสิบบาทของเรานี่เขาต้องทำห้าห้าสิบล้านเขาถึงจะได้ความรู้สึกที่เหมือนกันกับเรางั้นการเป็นคนจนนี่ได้เปรียบ ก, กว่าเป็นคนรวยเยอะแยะได้บุญเยอะกว่าคนรวยทําน้อยกว่าแต่ได้ความสุขใจอิ่มใจมากกว่างั้นอย่าไปดูที่ปริมาณเงินของเขาของเราดูที่ความสุขใจอิ่มใจของเราดูที่สัดส่วนของเงินทองที่เราเสียสละไป ถ้าเราเสียสละมากตามสัดส่วนเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจมากอย่าไปดูว่าเราทำห้าสิบบาทเขาทำห้าหมื่นแล้วเขาจะได้บุญมากกับเราไม่จริงถ้าบุญหมายถึงความสุขใจอิ่มใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณที่จะต้องเท่ากันหรือมากน้อยต่างกันอยู่ที่กำลังของแต่ละคนเหมือนกันหนูอ่ะหนูไม่ต้องกินข้าวทั้งก็สอบใช่ไหม มันกินแค่ช้อนเดียวมันก็อิ่มแลอวแต่ช่างกินข้าวช้อนเดียวไม่อิ่มเลยมันต้องกินข้าวสักครึ่งกระสอบนะมันถึงจะอิ่มนเพราะฉนั้นเพื่อตอบความข้องใจของคนบางคนที่คิดว่าอาจารย์สอนว่าให้ทําเงินบุญเยอะๆจะได้ทําเงินเยอะๆไวจากเงินเยอะๆเท่านั้นถึงจะได้บุญเยอะอันนี้เราไม่มีเวลาอธิบายเพราะว่าผลที่ได้จากการทําบุญนี้มันมีหลายลักษณะลักษณะที่เราพูดถึงนี้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจานวนจะต้องเท่ากันหรือมากน้อยมันอยู่ที่สัสดส่วนของการเสียสละของเราเราเสียสะ100ละร้อยละห้าสิบเขาเสียสะ100ละร้อยละสิบนี่ถึงแม้ปริมาณเงินของเขาจะมากกว่าของเราแต่ผลคือความสุขใจอิ่มใจของเขาจะน้อยกว่าเราดังั้นถ้าพูดอย่างนี้คนจนนีิสบายกว่าทําบุญแล้วได้ความสุข เยอะกว่าคนรวย เ, เพราะว่าไม่ต้องทำมาก อ, อ, อันนี้เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องนึงนี่ที่ถ้าในตัวของเราเองเนี่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่าที่เราทำเราก็ต้องทำมากขึ้นเช่นเราทำร้อยละห้าสิบแล้วยังไม่พอยังรู้สึกอยากจะให้มันสุขมากกว่านี้<ๆ>ก็ได้ทำร้อยเต็มร้อยไปเลยเราไปบวชเลยเีจะมีความสุขใจมากขึ้น อันนี้สาหรับตัวเรานะถ้าพูดเปรียบเทียบปริมาณที่เราทำเองถ้าเราอยากจะได้มากเราก็ต้องทำมากทำสิบบาทกับทำยี่สิบาทนี้มันต่างกันไหมต่างใช่ไหมอันนี้สาหรับความรู้สึกในใจเรานะอันนี้พูดให้เข้าใจเดี๋ยวจะหาว่าเราเชียร์ให้คนอต้องทำบุญต้องทำเงินเยอะๆ อ, อะไรอย่างนี้อันนี้พูดให้ทราบถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเสียสละ แต่ผลที่เราจะได้รับจากเงินที่เราทำกลับมาหาเราในภายภาคหน้านี้มันเป็นไปตามปริมาณของเราที่เราทำแล้วล่ะถ้าเขาคนทำล้านหนึ่งเขาก็จะได้ล้านหนึ่งกลับมาบวกดอกเบีย้ยเพราะเงินที่เราทำนี่เหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารพอเวลาเราไปเบิกเราก็เบิกได้ตามที่เราฝากบวกดอกเบีย้ยใช่ไหมเราจะไปเบิกมากกว่าที่ทเราฝากไม่ได้แร้ว อันนี้เป็นผลของบุญอีกแบบหนึ่งผลที่จะได้ภายในภาคหน้าภายหลังจาก ท, ที่เราตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่หรืออาจจะไม่อาจจะส่งผลเร็วก็ได้ทำบุญชาตินี้เย็นนี้หวยออกพอดีไปแทงหวยกันมาเเช้าใส่บาทร้อยหนึ่งไปแทงหวยเย็นนี้ได้มาห้าล้านนี้อันนี้ก็ถือว่าบุญเร็วมากอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนขอให้เข้าใจว่ามันมีหลายลักษณะดังนั้นจะพูดยาว เ, เรื่องของแพะมาชนกับแกะพูดเรื่องของแพะก็ต้องพูดแต่เรื่องของแพะพูดเรื่องของแกะก็ต้องพูดเรื่องของแกะเมื่อถ้าเดี๋ยวจะเถียงกันต่ะไปจนวันตายเหมือนที่นิทานเขามีพูดไว้ตาบอดคําช้างเนี่ยคนตาบอดห้าคนมาศึกษาธรรมะในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันคนไปจับหางช้างก็ว่าเป็นเชือก คนไปจับงูช้างเขาว่าเป็นงูแล้วก็มาเถียงกันว่าเนี่ยธรรมะของท่าเจ้าเนี่ยเป็นงูไอ้คนบอกเป็นเชือกมันเป็นทั้งสองอย่างอะแหละ แต่เราไม่ดูว่าเราพูดถึงเรื่องไหนกันเรื่องทำบุญก็แบบนี้แหละคนจนก็ได้บุญเยอะกว่าคนรวยก็มทีทำบุญน้อยกว่าคนคนรวยแต่ได้ได้บุญมากกว่าคนรวยก็มีถ้าเป็นบุญที่เกิดจากความรู้สึกภายในใจเราแต่ถ้าผลตอบแทนที่ได้รับนี่มันมันได้น้อยกว่าแน่นอนเพราะเราลงทุนน้อยเราก็ได้น้อยลงทุนมากเราก็ได้มากนี่พูดเปรียบเทียบให้ฟัง คำถามจากคุณนางค่ะที่ผ่านมาโยมสวดมนต์นั่งสมาธิทําเป็นพักๆแต่ช่วงนี้ทาต่อเนื่องทุกวันมาเกือบปีแล้วค่ะ <c oughs> หลังสวดมนต์ก็ตั้งจิตถอนคำอธิษฐานคำสาบานทุกชาติทุกภพตอนนี้รู้สึกเบื่อคนมากอยากถามว่ามาถูกทางหรือไม่คะถ้านั่งสมาธิถ้าเจริญสติก็ถูกทางค่ะ คำถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์น้มการครับ well. พระอาจารย์ถ้าเราจะขโมยของและกำลังเริ่มขโมยแล้วเรานึกขึ้นได้ว่าผิดศีลเลยหยุดทำทันทีไม่ได้ขโมยอย่างนี้ศีลห้ายังบริสุทธิ์อยู่ไหมครับก็เฉียดเฉียดเน่ยยังไม่ขาดถ้าเรายังไม่สำเร็จ การขระโมยยังไม่สําเร็จเปลี่ยนใจจะหยิบของแล้วไม่หยิบอย่างนี้ก็ยังถือว่าสติทันอยู่ก็ใหม่ๆก็อาจจะเป็นอย่างนี้เวลาจะถือศีลแล้วเวลานิจัยเดิมมันมันไม่มีสติมันพอจะพูดอะไรมันก็พูดจะทําอะไรมันก็ทํำแต่พอมันนึกได้ว่าเอ้ยเราถือศีลนี่วะก็เลยอาจจะหยุดหรือทําไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อาจจะเอาคืนไปหรือหยุดทํา อย่น้อยก็ขาดน้อยถ้าของนายคืนไม่ได้ฉันดื่มเหล้าเข้าไปแล้วซึ่งได้สติ่กูดื่มไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องลงโทษตัวเองด้วยวิธีอื่นอาจจะไม่ให้ดูทีวีไม่ให้ดูละครสักหนึ่งเรื่องสักหนึ่งอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปต้องมีการลงโทษมันถึงจะเข็ดหลาบถ้าไม่ลงโทษเดี๋ยวมันก็แกล้งลืมไปเรื่อย จากคุณปลืม้มหนูฝึกยุบพองมาให้พระอาจารย์สอนโดยทําแบบเดิมต่อได้ใช่ไหมคะได้ก็แทนที่อยู่ที่ปลายจมูกก็ดูที่หน้าท้องแทนลมเข้าท้องก็พองลมออกท้องก็ยุบ <c oughs> ก็รู้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องท่องยุบหนอะพองหนอก็ได้ท่องก็ได้ไม่ท่องก็ได้ถ้าท่องแล้วทําให้ใจไม่คิดก็ท่องไป ถ้าไม่ถ้าขี้เกียจท่องก็ให้ดูเฉยๆให้รู้ว่ามันเข้ามันออกมันยุบหรือมันพองเป้าหมายคือต้องการไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคําถามจากคุณตูนพระอาจารย์ครับวันนี้ขณะที่ผมเดินจงกรมผมได้เกิดความคิดหนึ่งความคิดนี้ทําให้ผมเกิดสุขสงบมากและพอเวลาผมได้จับเอาอารมณ์อันนี้ มาทําให้มาทําให้อาการง่วงหาซึมไม่มีเลยนี้คืออะไรครับอารมณ์นี้หลอกผมหรือเปล่าครับเอถ้ามันทําให้ใจสงบทําทให้หายง่วงได้ก็เรียกว่าปัญญาเป็นความคิดที่จะทําแก้กิเลสได้ก็ลองดูว่าทําได้แก้ได้ทุกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวกิเลสมันฉลาดพอจะคิดแก้แบบนี้มันมีทางอื่นไปแล้วอาจะแก้ไม่ได้ก็ได้กิเลสมัน เหมือนกับยาไอ้ไปเชื้อโรคอ่ะเราใช้ยาปฏิชีวนะแบบนี้เดี๋ยวมันก็แปลงไปมันสามารถที่จะต้านยาได้กิเลสมันอาจจะต้านปัญญาแบบนี้เขาต่อไปก็ได้คราวนี้มันมันต้านไม่ได้เพราะมันไม่ได้เตรียมตัวรับแต่ขาวหน้ามันอาจจะเตรียมตัวรับนี้ะมันอาจจะมีข้ออ้างอย่างอื่นขึ้นมา ก็ต้องลองดูว่าจะใช้ได้ทุกครั้งไปหรือเปล่าบางทีต้องมีการเพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปสู้กับกิเลสมันไม่ใช่มันแบบอแบบแบบเพลงเดียวหรือแบบแบบเดียวมันมีหลายแบบหลายรูปแบบด้วยกันเหมือนต่อยบนเวทีชกเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อยเขาบ้างเดี๋ยวเขาเตะเราบ้างมันมีคมีต้งใช้ศอกใช้ใช้เขา่าใช้อะไรต่างๆ งั้นจะมาใช้แบบเดียวนี้มันอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปก็ให้รู้ก็แล้วกันดูที่ผลว่าทําแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่ต้องไปถามว่ามันชื่ออะไรเป็นปัญญาหรือเป็นอะไรไม่สําคัญขอให้ไม่รู้ว่ามันทําให้ใจเราสงบทําให้เราไม่ขี้เกียจทําให้เราขยันอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมก็แล้วกันจากคุณเอสปีเตอร์กราบเรียนพระอาจารย์ครับ การปฏิบัติของผมส่งผลให้จิตใจผมเศร้าหมองเบื่อหน่ายไม่อยากอาหารกินได้น้อยจนมีผลกับร่างกายจะต้องทําอย่างไรให้คลายลงได้ครับถ้ามันเบื่อหน่ายก็แสดงว่าจิตมันไม่สงบเนีก็ต้องทนเอาเพราะว่าการจะทําให้จิตสงบบางทีมันต้องใช้มาตรการที่ที่จิตมันไม่ชอบมันก็จะเบื่อหน่ายแต่ถ้ามองระยะยาวว่าอ เดี๋ยวถ้ามันสำเร็จนะความได้ความสงบแล้วความเบื่อหน่ายต่างๆก็จะหายไปเหมือนตอนกินยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บมันก็ต้องเจ็บบ้างอาจจะต้องให้หมอผ่าหมอเจาะอะไรแต่ถ้าทาแล้วเพื่อให้มันหายเราก็ต้องยอมทนถ้าเราไม่ยอมทนมันก็มันก็จะไม่สามารถทำต่อไปได้ ขอให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันว่าที่มันเบื่อหน่ายเขาเพราะว่าสติเราไม่ทันมันถ้าเรารู้ว่ามันเราเริ่มเบื่อหน่ายเราเริ่มมียเราไม่ดีพยายามหมันท่องพุทโธพุทโธไปเลยอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวสักครู่มันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีคำถามจากคุณจินขอบการแผ่เมตตาแบบจริงๆทําอย่างไรครับก็เวลาเจอกันไง ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วก็ไปแผ่เมตตาเวลาเจอกันเขาดา่าเราก็สาธุยกมือไหว้เอาเลยพี่พี่อยากจะด่าเท่าไหร่ด่าไปเลยใครแย่งของเราไปเอาไปเลยถือว่าเป็นการทำบุญทาทานนี่แผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดคนเดียวแผ่ทั่วจักรวาลพอไปใครมาแตะของกูหน่อยด่ามันเลยเหยียบมันเลยนี่ไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นการแผ่ มันแพลตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันทำให้ใจเราปั่นปวนเราต้องใช้การแผ่เมตตาเพื่อให้มันกลับมาสงบเหมือนเดิมคําำถามจากคุณปริชัินมัสการค่ะพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ก็แสงอาทิตย์เนี่ยแสงที่สว e. ่างที่สุดในโลกนี้คือแสงอาทิตย์ใช่ไหมแต่แสงอาทิตย์นี่มันไม่สามารถทะลุของของทึบได้ใช่ไหมร่างกายเหล่านี้มันยังทะลุไม่ได้มันยังมีเงาใช่ไหมแต่แสงแห่งปัญญานี่มันทะลุไปหมดของทึบของอะไรนี้มันปัญญามันสามารถวิเคราะห์ได้หมดใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์อะตอมได้ใช่ไหมอะตอมมันอยู่ใน ในในวัตถุต่างๆนี่อันนี้คือความรู้แต่ที่นี่เป็นความรู้ทางโลกพูดเปรียบเทียบให้ฟังแต่ความรู้ทางปัญญานี้มันก็แบบเดียวกันมันจะเห็นสิ่งที่แสงสว่างเห็นไม่ได้เช่นภายในของร่างกายเรานี่หรืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้แสงสว่างมันมองไม่เห็นมันต้องใช้ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงต้องใช้การวิเคราะห์ถึงจะเห็นว่า มันไม่เที่ยงเป็นอย่างไรเห็นว่ามันอนัตตาเป็นอย่างไรมันทุกขังเป็นอย่างไรเขาท่านท่านนึงเปรียบเทียบว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันมันก็เพียงแต่ทาให้เห็นสิ่งต่างๆทางตานันเองแต่ทางใจนี่ยังมืดบอดอยู่จะให้เห็นทางใจด้วยนี้ต้องเห็นด้วยปัญญาจะกุณโซโซ กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยากถามพระอาจารย์ว่าพอดีว่าแฟนเป็นคนชอบตีไก่เราก็ไม่อยากให้เขาตีกลัวบาปแต่มันเป็นสิ่งที่เขาชอบเวลาได้เงินมาเขาให้มาใช้ในครอบครัวคะ่ะบางครั้งเราก็ไม่อยากได้บางครั้งเราต้องเอาด้วยความจำเป็นแบบนี้เราจะมีส่วนได้บาปกับเขาไหมคะไม่ได้หรอกแล้วแต่เขา เหมือนเขาตีไก่แล้วก้าเงินมาทำบุญเนี่ยเราก็ไม่ได้บาปด้วยเขาก็ได้บุญจากการที่เขาทำบุญเพียงแต่ว่าเงินที่เ็าได้จากการตีไก่นี้มันอาจจะเป็นโทษกับเขาเป็นเงินที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะมีโทษจากรายได้ที่เราทำก็อย่าไปเอาทำมิจฉาชีพอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก ตัวใครตัวมันนอกจากว่าเขาเราสั่งเขาได้บอกก็ได้เราก็สั่งเขาบอกเขาไปถ้าสั่งปุ๊บเขาก็เลิกปั๊บก็สั่งเลยถ้าสั่งร้อยครั้งเขาก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่ก็อย่าไปสั่งให้เมื่อยปากเหมือนกับหูทวนลมพูดแล้วเหมือนกับไม่ได้ยินพูดไปก็เสียเวลาเปล่าๆเอ า, าแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา